อสมญาท่านพิจารณาปัจจัยที่ร่างกายมันอาศัยอยู่เนะ น, นี่ยมีว่าปัจจั G 1, ยชีวิตกับไฟวพาอาหารการบริโภคที่อยู่อาศัยยาบำบัดโรคนห้พิจารณาหมันะมันเข้ากันกับร่างกายของเรานะอันเดียวกันผ้าผ้าก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล อาหารกับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลยาบำบัดโลกกับไม่ใช่สัตวไม่ใช่บุคคลที่นี่เมื่อนอกเขามาใส่ตัวเรากับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นก้อนธาตุก้อนปัจจัยก้อนปิดใจก้อนเปิดใจเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนี่แหละมันจะเปิดหนทางหนีทุกมันจะมันจะพ้นทุก ทุกจริงๆก็คือจิตใจเลยละ่ะตัวทุกข์แท้ ๆ, ๆตัวเหตุตัวเหตุที่สุกเกิดบางทั้งทุกข์ด้วยนะงั้นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วงั้นะนะนะนะนะเราพบคิดพิจารณาดูไม่มีตนมีตัวไม่ยถึงมันไม่มีให้มาลูกนะโดยสม่วนมาก โ, โดยธรรมชาตกิก็ตัวจิตใจเรากับตัวทุกข์อันเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็น ทุกข์ก็เป็นนามธรรมไม่มีตัวมีตนจิตใจก็ไม่ตัวมีตนเหมือนกันได้ไม่ได้แลส่วนที่เป็นตัวเป็นตัวเนี่ยมันก้อนก้อนกายก้อนธาตุทั้งสีทั้งหาสนี่มันแยกออกมาเนี่ยที่ท่านให้สวนให้แยกออกไปกระดูกขากระแขนอยู่ที่ที่ละที่ละที่ละที่ละที่แยกออกไปนี่หมายถึงว่ามั่งกายลื้อกายพรายกายให้ไม่ให้ไม่เป็นก้อนเป็นกลุ่ม ยกมาให้จิตใจมันรู้มาเห็นเห็นจริงตามความเป็นจริงของมัน่ะคิดมันจะได้เอาปล่อยบ้างาจิตมันจะได้พ้นจักรายถ้าพ้นจากกาักรยานนก็แปลว่ามันพ่นทุกถ้ามันมีกายทุกไม่มีะสูแล้วการปฏิบัติมหาของทางทิ้งกายเสนอสะดุดแล้วแต่ว่าศาสตร์โลกทั้งหลายนี่มันหงวงถิน่นยึดมันถือมัน่นไม่ยอมทิ้งหงวง หวงก้อนปัใจจัยนี้เกิดทุกหวงก้อนทุกเมื่อจิตใจเปลี่นจิตทุกเนะีโดยตรง น, นที่นี่จิตใจมันไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกไม่เห็นร่างกายเนี่ยว่าเป็นตัวเก็บตัวปวดนะ่ะที่จริงแล้วที่มันตัวเก็บตัวปวดมันก็ไม่มีตัวมีตัวเหมือนกันนะถ้ามันแตกมันดับมันผลอุ้มไปเดียมันก็ไม่มีเยังว่าไปถึง วักที่สูตรสูตรที่สองกับยะถาปตะยังปวัตตมานางทาตุ ว, วัตเมเวตังจะได้ดังท่านให้พิจารณาเห็นแม่ว่าเพิ่นธ า, าตุธาตุวุนปั จ, จโกกว่าเป็่นธาตุนิสโตไม่ใช่สับนิสีโวไม่ใช่สีเวศสุนโยเป็นของว่างเปเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาอีกส่วนแล้วส่วนที่ดูแล้วรู้อยากจ้องจนให้จิตใจมันยอมรับ เห็นว่าเป็นจริงตามความเป็นจริงจริงๆนะผลมันจะเกิดขึ้นเกิดมาเกิดขึ้นมาในตรงนั้นเลยผลพิฆาตเลยรับผลเลยรับก็คือกิจใจมันดูไม่เห็นนะกิจทมันบางเมื่อกิจใจมันบางกิจใจไม่เข้าไปยึดมันก็ไม่มีอะไรมันมีก็คือมันไม่มีรวมแล้วสรุปแล้วถ้าเข้าไปถึงกวศลจริงหรอมันมีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์อะไรๆ ไ, ไม่มนะีเห็นบบ ท่านมาดูความภิกษุทั้งหลายอยดูควานพวกเราทั้งหลายนี่นอกเข้าใจจนคำคำที่ว่าดูความภิกษุทั้งหลายนี่ท่านเอาภิกษุมาเป็นเป็น อ, อ่าเป็นหลักยืนเฉยน่ะนอกนั้นทั่วไปนี่นะธาตุกับเป็นธาตุอาหารการบริโภคกับเป็นธาตุที่อยู่อาศัยกับเป็นธาตุน่นน่ะ ยาบำบัดก็เป็นธาตุธาตุอะไรหล่ะธาตุธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมมันรวมกันอยู่ในนั้นที่นี่ท<อ>ี่วองเห็นด้วยตามีเกตมีแต่ดินกับน้าไฟยังก็เป็นนา้ำทมความร้อนไม่มีตัวไม่ตนลมก็เป็นนา้ำทำไม่ตัวไม่ทนดังนี่สรุปแล้วพวกเราทั้งหลายแหละนี่แหละมันหลงอะไรมันหลงตัวมีองค์ พอมันไม่เห็นตนเมื่อไม่เห็นตนก็ไปขั่วเอาเอาก้อนธาตุมาเป็นตัวเป็นตนไปก็สมมุติเรียกกันถือกันมานานเนกาอะยเป็นร้านปีแล้วอ๋อเป็นร้านแล้วสร้างพกที่เกิดมาเกิดมามากก็มาเอามายิดเอาก้อนสกุลละการเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์กันเมื่อกันเป็นบุคคลก็นเมื่อกันสัตว์ตัวเล็กๆกันเท่ากันนี่ละหมาตัวเล็กกัมีท่าทั้งสีเท่ากันสร้างตัวใหญ่ก็มีท่าทั้งสีเท่ากัน มนุษย์่นสูงท่านต่ำทั้งคนอันะอมียศถาบรรดาศักดิ์ท่านสูงต่ำทั้งเจ้าฟ้ามหากตร์เท่ากันนี่มิสมัริเท่ากันแต่สูงต่ำพวกกันคือทางด้านคิดใจที่นั่ น, นตัวตัวตัดีตัวผู้รูน่นเรียนีิสามากมาเพื่อมาบริหารร่างกาย เพื่ออยู่รอดวันๆเท่านั้นสุดท้ายมันก็จะแตกทำไมไมันถึงแตกแต่เพราะมันมีอายุ อ, อย่างมากมกับร้อยปีรอดกว่าปีก็แตกแล้วเพราะธรมรมชาติมันเป็นของแตกเหมือนกับต้นไม้เสื้อไฟเสื้อไฟเสื้อเพลิงเหมือนกับ่้นไม้ต้นปืนที่เขาไปสูงไฟ ท่อนไม้ท่อนพลินที่ออกเขาไปก่อไฟอยู่ไฟกับร่างกายของเราก็อันเดียวกันนะอันนั้นก็เสื้อเพลิงภายนอภายนอกเสื้อเพลิงภายในก็คือร่างกายเราอต้นตัวเราไฟอะไรที่มันเผาอยู่เสื้อมันไฟลักคะความกำลังดีดีในรูปในเสียงีนกลิ่นในรสใ้เครื่องสัมผัสกับไฟโซละก็ไฟมหาคือความหลวงไฟพวกนี้ไฟไม่มีเปลว ความรอม้อนดันไฟไม่มีเปลวไม่ไม่ใช่ไม่เหมือนไฟภายนอกไฟภายนอกมันมีเปลวมันมีแสงมันมีรัศมีอันไฟภายในเนี่ย ม, ม, ม, มันมันมันไม่มีแสงมันไม่มีรัศมีมันเผาอยู่อะเผาเผาเผาที่ไหนหลับกับเผาจิตเผาใจนะให้จิตใจรอด เดือดร้อนว้าบุญคุณมัวนะเป็นทุกข์เป็นยากเป็นร้อนนะมายึดอกอ้อนก้อนทุกข์ก้อนเจ็บก้อนปวดเมื่อไม่แตะกันว่าเสียดายเป็นห่วงเป็นอะไรติดเพราะเดิ น, ะนทางจริง ให้มาพิจารณามายกความจริงให้จิตใจมันรู้มันเห็นอมันเห็นทั้งกิจทั้งใจให้จิตใจมันยอมรับจิตใจมันถอนดอกอกแล้วมาตีกับพิจารณาเรื่องความสวยความงามแล้วพิจารณาเรื่องของสกปรกโสโครกเน่ยถ้าสวยก็สวยหมดอาหารที่ถ่ายออกมากสวยเหมือนกันกินได้ไหมมันแยกส่วนแบ่งส่วนเสศษแต่ที่จริงมันอันเดียวกันห่ือเปล่า ถ้าสกบกับกหมดใช่ไ่มข้าวที่กำลังเคี่ยวกับกับว่าอ๋ออ๋อพี่กาเข้ามาที่เราถ่ายออกไปนี่ครับอันคือเรากําลังเกี่ยวกับําลังกินอยู่อันเดียวกันล่ะให้กีจการไม่เห็นกินตามความเป็นจริงของมันใช่ไ่มเพราะฉะนั้นว่าเมื่อเห็นจริงเห็นจริงตามความเป็นจริงมันจะรู้เท่ามันจะไม่ไมาบีบจิตใจเสียเลยเว่ากายกินจิต กินไม่สิ้นทุกจิตกายกินจิตไม่กินสิ้นทุกจิต่ะกินเส้จิตจิตมันไม่มีท้องจิตมันจิตใจไม่มีกระเพาะจิตจิตใจไม่มีรำไรจิตใจไม่มีตัวมีตนน่ะอันเดียวกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่พระปีนั้นมันเปิดดูแต่จิตใจเราไม่เห็นเท่านั้น่ะอย่ัง เพราะธรรมะย้อนนี้พ่อสูตรก็ำหนกันอยู่อนัตตาลัคนาสูตรเนี่ยอนัตกับเปลว่าของไม่ใช่ตนอนัตตาของไม่ใช่ตนหนึ่งไม่ใช่อนัตตาอนัตตาของไม่ใช่ตนรูปังอนตัตตนี่รูปด่างกายนั่งอยู่รูปังอนัตตาเวทนาสุขทกุกข์กับอนัตตาสัญญาความตําไม่หมายรูร้ออกับอนัตตา สังขารควบปุงควแต่งคองคิดควนึกติดใจเสียใจรักสังโกรยกับอนัตตาวิญญาณควรับทราบตาหูจมูกดิ้นกายใจกับอ น, นัตตาไม่ใช่ตนรูปก็ไม่ใช่ตนเสียงก็ไม่ใช่ตนกลิ่นก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตนรสชาติเกิดขึ้นทางดิ้นก็ไม่ใช่ตนกายก็ไม่ใช่ตนสัมผัสเกิดทังทางสังกายเย็นน้อนอ่อนเขียง เก็บปวดรู้เล่าถึงมับจะไปกระทบของแข็งนี่ก็ไม่ใช่ตนมโนโที่พวกเขาไปเอาไปรับทราบเป็นลู่นั่นลู่นี่นี่ก็ไม่ใช่ตนนี่เรียกว่ามโนวิญญาณังอนตอะังที่รับทราบจากอจากตาหูจมูกนี่กาเจไม่ใช่ตนนั่นมันไม่ใช่ตนตนของตนจริงมันอยู่ลึกไปที่เนี่ย ถ้าถ้าใครเขาไปเห็นตัวหนึ่งพูดนั้นก็ก็บพ้ะพุนั้นเห็นธรรมธรรมจริงๆเราจิตใจจิตใจไปทําเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินเขาจะทาใส่ก็เฉยเขาจะขุดก็เฉยเขาจะเผล่ก็เฉยนี่นะอืมบนท่านจะให้อทําใจิตใจเหมือนกับแผ่นดินเขาด่ากับปากของเขาเขาแสดงอาการกับอาการของเขา ถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่มีสิถ้าเราไม่เข้าไเยอะเขาไม่จะมาจากที่ไหนไนดะ้โอ้ยนั่เมื่อไปปฏิบัติแต่เราคนเดียวอยู่ที่บ้านที่เมืองก็ทําเหมือนเดิมเหมือนกันให้ให้มีสติตัวสติตัวเราลึกลู่นี่ครับฝึกตัวสตินะมนเด่นขึ้นฮให้หจดจ่อต่อเนื่องกัน <c oughs> เราเราต้องดูในปัจจุบันให้ไปรู้ในปัจจุบันให้ไปจจหไเห็นในปัจจุบัน <c oughs> เนห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์ เห็นทั้งของมันไม่กิรังยั่งยินเห็นทั้งของมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงต้องกำหนดดูถ้าจิตใจมันหยุดนิ่งเป็นสมาธิแบบนี้พิจารณาควบคู่อาการของจิตของใจมันเป็นตัวกายร่างกายกายสังขารกายสังขารบาจีสังขารมาโนสังขาร น, นี่ยนี่เขาพวกเดียวกันเหมือนกับกองกองจะไปตีตรงตรง ตรงไม่เมื่อก็ดังเหมือนเดิมตีตรงหนังเมื่อก็ดังเหมือนเดิมมันจะเทียนใสกันหมดนะอันเดียวกันจึงบอกกายสังขารบาจีสังขารมนสังขารสังขารกลับไปว่าสังขารสังขารอะไรสังหารจิตใจสังขารจิตใจให้จิตใจเป็นทุกข์สุขแราวก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาทั้งยาปล่อยวางให้จิตใจมันบ้างนั่เมื่อถ้าจิตใจมันว้างได้น่ะมันจะมีความรู้สึกของกายของเราโอ เนี่ยมันมันสบายถ้าจิตใจไม่หลงเข้าไปยึดมันก็ไม่มีอะไรโดยโดยปกติธรรมชาติของจิตมันก็จะว่างเวลามันเบทนาเกิดขึ้นเกิดปวดรู้เล่าปวดก็คือปวดจิตใจไม่ไม่ใช่ตัวปวดตัวเก็บหนึ่งตัวรู้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ปวดก็คือปวดเวชนาคือเบชนาจิตก็คือจิต ถ้ามารู้แล้วมันมันเข้าเมื่อไม่เข้าไปยึดก็แว่ามันมันมันเสี่ยมกันไม่ได้ถ้ามันเข้าไปเสี่ยมกันกัเมื่อเข้าไปยึดเมื่อเข้าไปยึดมันก็เลยจิตใจก็เลยไปกลายเลยไปเป็นเวทนาขึ้นมาไปเป็นตัวทุกขึ้นมาแต่ถ้าจะให้ชำระออก